พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14ตุลาคม2558ห้ามีชื่อเรื่องว่าถูกทมแล้วจะถูกทาง วันนี้เป็นวันที่สิบสี่ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันพรุ่งนี้วันที่สิบห้าลวงพ่อฉันจังหารเสร็จแล้วก็คง์จะได้ลงไปทำธุระที่กรุงเทพก็คงจะไปไม่หลายวันถ้าตามกำหนดก็คงจะกลับวันที่สิบแปดวั น, นให้พวก พระลูกหลานทั้งหลายอยู่ในความสงบตั้งใจภาวนาของใครของเราเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเราบวชมากี่เดือนกี่วันกี่วันข้างหน้าเราจะทำยังไงเราก็รู้แก่ใจทุกคนที่เราจะดำงรงสงศนาอยู่ไปภายภาคหน้า หรือเราบวชก็แล้วเราจะลาสิขาเราก็มีเราก็รู้แก่ใจเพราะ น, นั้นให้ทุกองค์ตั้งใจภาวนารักษาศีลรักษาสมณธรรมอยู่ในเพศนักพจนักบวชให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่าได้ขาดตกบกพร่อง อย่าได้ตำหนิตัวเองเมื่อเราจะเป็นฆราวาสก็ดีเมื่อเราเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็ดีอย่าได้คิดทบทวนแล้วว่าคิดเสียใจเมื่อภายหลังเมื่อเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มเราลักษณะทำเกเรทำลักษณะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมพิ่นายเราจะเสียใจเพราะท่านเราต้อง อยู่ในปัจจุบันทำดีทำดีทำดีทำ ด, ทำดีทุกวันสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไม่ต้องคิดเมื่อไม่คิดเราจะทำได้ยังไงจะพูดได้ยังไงเมื่อเราไม่คิดแล้วเราคิดแต่ทำดีฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาอย่าให้มีเรื่องมีราว เราไม่มาไม่ใช่เรามาหาเรื่องเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรชีวิตทางชีวิตของเราเราบวชเข้ามาอยากจะได้หน้าได้ตายอยากจะได้ลาภได้ ย, ย, ยด์อย่างนั้นใช่ไหมถ้าทำอย่างนั้นกันเนี่เป็นลูกน้องของเทวทัตแต่พวกเราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินยัยบัญญัติธรรมวินยัย พระเทวทัตอยากจะให้แข่งใครเข้าแข่งหาเรื่องอไม่ใช่แข่งแข่งครัดธรรมดาแข่งหาเรื่องอถ้าเราไปกลับไปพูดกับพระพุทธเจ้าเนีย่ยท่านคงไม่อนุญาตแต่กับมันไปหาสมัครพรรคพวกมันคนเลวคนชั่วอย่างเดียวกันมันก็เข้ากันได้พกคนเลวเข้ากับคนเลวคนชั่วเข้ากับคนชั่ว คนดีเข้าคนดีพระดีพระช่วมก็เข้ากันได้อย่างที่ว่าพระดีถ้ามุ่งหวังไปในทางที่ดีมันก็เข้ากันได้พระที่ช่วก็เข้ากันได้แล้วให้หมู่เทวทัตก็ไปหาพระที่นั่นระดับระดับเดียวกันนั่นะเข้ากันไปพวกนั้นก็เห็นด้วยนั่นแหะพ้นมาเห็นด้วยเพราะมันมันเร็วเหมือนกันมันก็เห็นด้วยแต่ไปพูดกับคนอื่น แต่บางคนไปพูดกับกลุ่มไม่เห็นด้วยไปทำยอย่างนั้นได้ยังไงในการประพฤติปฏิบตัติมันต้องเชื่อฟังครูครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่เชื่อฟังเราจะไปอยู่ทำไมในะแถบนี้หนีไปอยู่ที่อื่นอันนี้ทำไมามาป้นเปียกป้นเปียนอยู่แถวนี้แล้วก็แข่งดีทำยอย่างนั้นได้ยังไงล้มครูนะ บอกนะไม่เห็นด้วยแต่เทวทัศนกับไปเอาหมูพวกเพื่อนกลุ่มใหญ่เข้ามากับประกาศเข้าไปขอพรกับพระพุทธเจ้าขอพรห้าประการที่ยุยงให้สงแตกกันบอกว่าภิกษุผู้อยู่ป่าก็ขอให้อยู่ป่าไม่ให้เข้าบ้านอยู่ป่าไปเลยถ้าพระองค์เข้าบ้านองค์ไหนเข้าบ้านเพช ไม่ให้เข้าองไหนอยู่ป่าก็ให้อยู่ปา่าแล้วองไหนบินทบาทก็ให้บินทบาทรับนิมนตไม่ได้เพศองไหนถ้ารับผ้าบางสกุลก็ให้ใช้ผ้าบางสกุลรับกระหาบดีจีวรไม่ได้เพศพีกอยู่อยู่โคลนต้นไม้ก็ให้อยู่โคลนต้นไม้ถ้าไปอยู่ใน กุติเสนาสนะเผ็ดห้ามเิกศูไปให้ฉันเนื้อสันปลาถ้าเพิกศูฉันเนื้อฉันปลาเพ็ฮะตอนนี้พระองค์ขอพรจากพระองค์พระพระองค์จะอนุญาตไหมทําอย่างนี้พระองค์โอ้ไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ผู้ที่จะอยู่ป่าก็อยู่ปา่าเมื่อมีโอกาสจะเข้ามาอยู่ในบ้าน ที่ไม่คลุกครีคล้ายๆว่าไม่อยู่อถูกต้องตามวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้วน่ะมันมีอยู่แล้ววินัยที่อยู่บ้านดูยังไงอแล้วก็รับบินทบาทก็รับอยู่แล้วอยู่โคนต้นไม้เราก็ให้อยู่ได้แปดเดือนถ้าหน้าฝนเราไม่ให้ไม่ให้อยู่ถ้าอยู่นอกออกหน้าฝนแปดเดือน่ะเราบัญญัติให้อยู่ได้ แต่ถ้าว่าจำนวนหน้าฝนเนี่ยจะไปอยู่ได้ยังไงเวลาฝนตกไปอยู่ตลอดแรงตลอดฝงได้ยังไงเราไม่อนุญาตเดี๋ยวพระเป็นพระในพระเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ห้ามแล้วก็ห้ามไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาใครเข้าวาตัวเองไม่ฆ่าแต่ยุยงให้คนอื่นเขาฆ่า ไปกินเนื้ อ, เ, อ, อเหมือนกับเราส่งเสริมเขาเพราะพระองค์บอกว่าเราบัญญัติในวินัยแล้วว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยไม่เป็นอาบั ต, ตไิไม่ได้เห็นก็คือเห็นยังไง เ, เราเห็นเขาฆ่าไปไปที่บ้านของเขาไปชุมชนของเขาเห็นเขาฆ่าสัตว์ จากนั้นเขาก็มาทำถวายอาหารถวายพระถ้าเห็นอย่างนั้นฉันปรับอบัดทุกกฎทุกคาคือทาทุกคำเ ก, ทำท ก, ำกินนะถ้าองค์ไหนฉัดถ้าได้ยินเมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านเอ้ยพระเขามามากไามาในหมู่บ้านของเราเราควรจะข้าวล้มวัวล้มควายล้มหมูหมากาไกา่อะไรก็ว่าเราจะ เอาทำอาหารเพื่อเลี้ยงพระพระมามากพระได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ฉันอาหารที่เขาทํามาถวายปรบาบอวบตุกฏพอได้ยินนะและเราสงสัยรังเกยียดลังเกยียดที่เขาทําก็คือเข้าไปตะกรอนไปบินอบาตก็ไม่เห็นมีเขาคนใส่บารปินบินอวบัดาาองค์สององค์แต่กรพระมีมากองอาหารผิดปกติ เขาฆ่าสัตว์มาล้มสัตว์มาเพื่อจะเอาอาหารมาถวายพระถ้าพระรู้ว่าเขาฆ่าเพื่อมาถวายพระเลยสงสัยอย่าฉันถ้าฉันปราบรบติทุกอดอีกถ้าหากว่าเขาอยู่กินตามภาษีภาษาของชาวบ้านของเขาต่อตามประเพณีของเขาตามพื้นบ้านพื้นเมืองของเขาจากนั้นเขามาใส่บาตรให้พระฉันฉันได้เพราะเราไม่ได้เห็น มันได้ยินมันได้รังเกียจฉันได้เราเป็นพระเราเลี้ยงชีวิตเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรจะทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าให้เขาเลี้ยงยากเพราะชีวิตของพระอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวิในแต่พระเทวทัตน์บอกว่าหย่อนเหมือนกับปากว่าตาขยิบ ไม่ไม่ให้ไม่ให้เขาฆ่าสัตว์แต่กินเนื้อสัตว์อยู่อันนี้ก็คือพระเทวทัตหาเรื่องจากนั้นก็พอขอพรไม่ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าไม่ได้จากนั้นก็พระเทวทัตก็ไปประกาศแหละทีนี้วันนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อหย่อนไม่ตึงเหมือนเรา เราเห็นไม้ตึงองค์ไหนที่อยู่ป่าก็ต้องอยู่ปา่าจะไปป้นเปียนป้่นวายในบ้านได้ยังไงองไหนที่รับบิณฑบาตก็ต้องรับบิณฑบาตอย่ะไปรับอาหารจัดสัตวาญาติโยมยังไงองไหนใช้ผ้าบางสกุลก็ใช้ผ้าบางสกุลจะไปรับขะหะพดีจีวรยังไงองไหนอยู่โครนต้นไม้ก็อยู่โครนต้นไม้อย่าไปอยู่เชนาชนะได้ยังไง แล้วก็เนี่ยชันเนื้อสันปลายอีกต่างหากวากตากปากว่าตาขยิบสมณะโคโดมพรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทวทัตกับไปโปรโมตกับบริวารของตอนเองจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก่อนพระสงฆ์ก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าเทวทัตพูดอย่างนั้น จ น, นพระพุทธเจ้าก็เรียกมาเรียกมาก็ถามว่าเทวทัตท่านได้พูดอย่างนั้นจริงไหมท่านได้ทําอย่างนั้นจริงไหมพระเทวทัตก็รับสารภาพว่าได้พูดได้กล่าวอย่างนั้นจริงพระพุทธองค์ก็ตําหนิอตำหนิอย่าทําอย่าพูดอืมันไม่เป็นผลดีทําทําให้สงฆ์แตกแยกกัน แตกแยกสามัคคีในหมู่สงหยุดนะเทวทัศนะ์นะอย่าทำเทวทัศน์ก็ยังโปรโมดต่อไปอีกเรียกประชุมสงประกาศสวดประกาศเท่ไงสวดประกา ศ, ร ป, รกาศประกาศในถ้มกลางสงเลยถ้าพระเทวทัศ์ยังไม่หยุดออการกระทําอย่างนี้แปลว่าฝ่าฝืนฝ่าฝืนการผิดต่อ กฎระเบียบที่บัญญัติไปแล้วสวดประกาศครั้งที่หนึ่งไม่ฟังสวดประกาศครั้งที่สองไม่ฟังสวดประกาศครั้งที่สามไม่ฟังปรับอบัติสังขารที่เศษรองจากปาราชิตภิกษุโพดออกไปแล้วภิกษุสวดประกาศสวดประกาศ ในถ้ำกลางสงห้ามไม่ฟังสวดประกาศถึงสามครั้งถ้าไม่ฟังปรับอวัตสังขารที่เศษกับพระเทวทัตนั่นแหละจตในพระเทวทัตยังอันนั้นอยู่เลยขอแยกสงเขาไปขอพระพุทธเจ้าขอแยกสงขอปลกุกปกครองสงพระพระองค์บอกว่าเทวทัตเราจะมอบสงให้กับท่านได้ยังไง เรามองดูท่าน่เหมือนกับเขละเหมือนกับก้อนน้าลายก้อนน้ํามูกก้อนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะมาปกครองสูงได้เหรอแต่เรามองดูแล้วไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยสําหรับท่านนี่แหละเทวท่านก็โกรธใหญ่แท้เลยนี่แหละอันนี้คือการเป็นมาของวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวิญญาท่านไม่ใช่ว่าบัญญัติทีเดียวแล้วก็จบไม่ใช่ต้องว่ากล่าวตักเตือนอ้างเหตุผล ในการเป็นอยู่ของพระในยุคสมัยนั้นจากนั้นเทวทัตก็แยกสงออกจากออกแยกสงออกไปพระที่บวชใหม่ไม่รู้อิโนโหินเนไม่รู้จกักวินัยที่ลึกซึง้งก็ไปตามพระเทวทัตเพราะว่าเห็นว่าเทวทัตเนี่ยแข่งคลัตหน้านับถือพกพุทธเจ้าในย่อย่อน เลยตามพระเทวทัตไปถั้ง500องค์ในยุคสมัยนั้นคนที่สวดกันะพระเทวพระสารีบุตรกับพระโมกขลาไปตามไปแสดงธรรมไปตามกลับคืนมากราบพระพุทธเจ้าจากนั้นนั่นน่ะพระเทวทัตก็เสีย อ, อกเสียใจนี่แหละความเป็นมาของวิเนิร์การเป็นอยู่ในยุคสมัยนั้นก็ไม่ใช่ธรรมธรรมดาเพราะนั้นมายุคนี้สมัยนี้ เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้มองเราทุกองอย่าไปแตกอย่าไปแยกให้มีเจตนาดีต่อหมู่ต่อคณะต่อพักต่อพวกเราทําผิดอะไรตรงไหนอย่างไรให้ตรวจตราดูตนเองเราก็ทําอันไหนออกไปมันผิดผิดหรือถูกก็รู้แก่ใจ ถ้ามันผิดแตอย่าทำทำไปทำไมเราต้องการอะไรมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่โชว์ฟ้าดินจะลายตายไม่เป็นไม่ใช่สิ่งไหนที่มันถูกสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมอ่าอันไหนที่มันดีรู้ไม่ดีโลกทั้งโลกเขายินดีเขายอมรับอ่าปรึกษาปารบกันโลกทั้งโลกเขาเห็นด้วยเห็นยอมรับเราก็ต้องยอมเว้นเจริมาพิจร า, นานรณาเแล้วมันผิดวินัยไหม ผิดธรรมวินัยไหมถ้ามันไม่ผิดธรรมวินยัยมันก็แปลว่าโลกพระสงฆ์หรือว่าโลกเขายอมรับเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นถูกตามกฎกติกาของโลกแต่ไม่ผิดพิวินยัยถูกทั้งโลกถูกทั้งทางธรรมเป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้การวางตัวของพวกพระของพวกเราท่านทั้งหลายต้องได้คิด การวางตัวการประพฤติพบพดพรหมม่จัดอันนี้ก็คือสินจัดว่าหมวดสินแล้วก็หมวดสมาธิอีกหมวดหนึ่งสินอย่างที่พวกเราทำเมื่อกี้นะ่ยสร้างคำปันเตปวารีมนะิสินถ้าทำไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่ามันผิด ปวารณาไม่ได้มันต้องท่องด้วยตนเองให้ได้ต้องใส่ใจต้องท่องให้ได้แต่อุปโลกอุปโรกกถินก็เือการสวดยติก็เหมือนกันเที่เราสวดที่ฟังจบลงเนะ่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทําให้ทุ ก, ถ, กถูกพุทธบัญญัติไม่ใช่ถูกหลงพ่อไม่ต้อไม่ใช่ถูกใจหลงพ่อนะ ถูกพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พวกเราปฏิบัติตนอย่างไรสวดให้ได้ปวารณาให้ได้ให้ถูกตามอักคระอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะหลักธรรมคาสอนหลักธรรมวินัยไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะต้องทําให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้น ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราก็ผิดผิดพระธรรมวินยัยคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดผลที่สุดพระธรรมวินัยจะยืดยาวไปได้อย่างไรเพราะต่างคนต่างทําผิดถือว่าไม่สําคัญตัวเองสวดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไไนนก็ไม่สําคัญพอไม่สําคัญคนนีงไม่สําคัญพลทีสุดก็เลยล่อยหล่อหมดไปโดยปริยายเพราะพระเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย ผู้ที่จะทำร้ายทำร้ายพระพุทธศาสนาม่ใช่อื่นไม่ใช่ใครอื่นไกลคือพุทธบริษัท ส, สีนี่แหละจะเป็นผู้ทํา้ายทาร้ายทำร้ายพระพุทธศสาสนาให้หมดไปผู้ ท, ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองก็พวกพุทธบริษัทสีนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนนี่แหละจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศสาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองไปได้ เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูนะถ้าพวกเราทำไม่ถูกสวดไม่ถูกพูดไม่ถูกไม่ได้ใส่ใ จ, จแสดงว่าเราเ อ, อไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนทําทให้การเป็นอยู่ของพุทธศาสนาย่อหย่อนลงไปเพราะเหตุอะไรเพราะพูดไม่ถูกต้องทาไม่ถูกต้องนี่แหละ อันนี้ก็ให้พวกเราใส่ใจสรุปแล้วถ้าบอกพวกเราไม่ใส่ใจกันเนี่ยเราก็ยออ่อหย่อนทําให้ศาสนาของพุทธะสั้นลงไปหรือลอยหลอลงไปเพราะพวกเราไม่ไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นผมเองจึงบอกหูบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ให้ใส่ใจถ้าเป็นหลักธรรมคําสอนหลักพระธรรมวิ น, นัยแล้วให้พวกเราอย่ามองข้าม ธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสด า, าพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้ว น, ะนี่แหละถ้าพวกเราไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้แหกความเคารพในหลักพระัรมวินัยกัอย่างที่วาดศาสนาของพุทธก็หมดไปโดยปริยาย ต่อไปภายภาคหน้าเขาบอกว่าอผ้าน้อยห้อยหูก็ยังเป็นพระเพราะผ้าผืนกีวรพื้นใหญ่มันหมดฮอขณะเป็นผ้าเหลืองห้อยหูนะ่ะผ้าเทหู่ะเขาก็ยังถือว่าเป็นพระปุ้ยไรเพราะอันนี้คือพระ่ะลวงพ่อได้ยินโยมอยู่เอ็นมาเขาบอกแถวอยู่นานแถวนั้นลักษณะอย่างนั้นน่ะ ไปไประชุมกันแล้วก็ศึกแล้วก็ไปกินเลี้ยงพอกินเลี้ยงเสร็จแล้วก็พวกคณะกรรมาการก็บวชให้บวชให้ก็ใส่ผ้าเหลืองเข้ามานั่นแหละมันลักษณะอย่างนั้นเดียวนี่แปะว่าย่อหย่อนอย่างมากๆหมดพระพุทธศาสนายัางอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยอย่งเข้มงวดกวดขันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองนะให้รักษาตัวเองนั่นแนหะอย่าให้ออกนอกลูกนอกทาง ให้อยู่ในหลักพรัฒรมวินัยให้รักษารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วนั่งสมาธิจิตใจก็เ ข, เข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วพิจารณาทางวิปัสสนาพิจารณาร่างกายพิจารณาอสุภะพิจารณามรณะนุสติพิจารณาธาตุสีดินน้ำลมไฟพิจารณาร่างกาย อย่างที่หลวงพ่อได้พูดหน่อยร่างกายเป็นหินลับปัญญาเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วก็ดูใจพอดูใจจะก็ดูกายกำหนดดูกายพิจารณากายเห็นกายได้ชัดดูใจสลับไปจะดูกายดูใจดูใจดูกายพอในสุดดูใจใจมาหลงกายว่ากายนจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่แตกไม่สลายไม่ใช่นะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะ เขาไฟทิ้งแน่ๆนะใจนะอย่าหลงนะในเมื่อใจเห็นกายอย่างนั้นแล้วก็ใจก็อยู่ในใจเห็นใจเมื่อใจเห็นใจกาหนดดูใจก็เห็นอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตาในใจลุกเล็กทุกเล็กอันนี้จังคือของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็คิดนุ่นเดี๋ยวก็คิดนี่เดี๋ยวก็คิดนี่เดี๋ยวก็คิดนุ่นอันนั้นคือใจไม่เที่ยงใจเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งนั้นสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาจากนั้นก็พิจารณาปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นที่ใจกําหนดดูใจอใจมันเกิดใจมันดับใจมันเกิดใจมันดับอพอมันเกิดนะมีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดนีด่ที่นั้นแหละคือตัวพบองหลวงตาท่านท่านท่านรู้ท่านเห็นตัวพบตัวชาติคือว่ามันตัวมี ตัวหนึ่งนับกอไก่เราเลขหนึ่งคันมีจุดคือเลขหนึ่งนับหนึ่งทันวันั่นแหละคือตัวพบตัวชาติเพราะตัวนั้นแหละมันมีกิเลสราคาโตโทสะโมหะมันตัวเชื้อมันมีกิเลสอยู่ในนั้นนั้นเพราะนั้นต้องทำลายปฏิเสธไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยวางนิ่พิธาคือความเบื่อหน่ายในจุดนั้น ในเมื่อเราปล่อยวางในจุดนั้นมันวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันเท้งลงไปแล้วนะความบริสุทธิ์ความรู้มันจะเกิดขึ้นมาไอ้ความบริสุทธิ์เป็นอิสระเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมจะเกิดขึ้นมาในจุดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะภาวนาเนี่ยการพิจารณากายก็ดีการบาเพ็ญทานบาเพ็ญศีลก็ดีมันจะหลั่งไหลเข้าไปสู่นั่นละ สู่จุดที่ว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละถ้าไม่ไม่มีฐานไม่มีศีลซะก่อนสมาธิก็เกิดไม่ได้ไมันเกิดยากเอพราะอะไรเพราะมันพวักพวบนแต่เมื่อเรามีศีลดีแล้วนั่งสมาธิสมาธิก็จิตใจสงบได้ง่ายเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาก็เห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะใจนิ่งใจผ่านความสงบ เดินทางวิปัสสนาก็เห็นได้ชัดแจ้งเห็นจริงขึ้นมาฉะยั้นก็เห็นทั้งกระทั่งใจด้วยตัวผู้รู้นามธรรมตัวนั้นเห็นได้ชัดแต่ถ้าหากว่าเราจิตใจของเราไม่สงบนะจิตใจไม่เป็นสมาธิเรามาพิจารณาถึงตัวผู้รู้นามธรรมเป็นสัญญากับสังขารวิ่งตามก้นของมันเป็นสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเท่านั้นเองวิ่งตรอนตลอนตลอด ตามหลังสังขากรกับสัญญานะแต่ถ้าเราสติของเราดีภาวนาจิตใจผ่านความสงบอยู่ในความสงบแล้วนะกำหนดดูจิตใจอย่าง้อยู่ได้เลยจับเลยจับเน่งเลยดูอยู่เลยดูจากนั้นก็พิจารณานะมันนึกคิดเรื่องอะไรใจมันปรุงอะไรดูที่มันจะขยับไปทางไหน เราจะเห็นได้ด้วยตนเองนะนี่แหละการภาวนานะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งใจภาวนาเรื่องศีลให้สำคัญนะเราจะไปมองข้ามไม่ได้เรื่องกดและเบียบเรื่องสมาธิเมื่อทำปาภาวนาที่ไหนกัเดินขึ้นไปกับขาขวาพูดซ้ายโทพดุทพดโทพุดโทอไม่จําเป็นจะไปพูดไปคุยกันปล่อยโอกาสนีไม่ไม่ใช่โอกาสพูดคุยกัน โอกาสภาวนานั่นคนนั้นเวลานอนก็มือนกันนอนก็นตะแคงขวาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธดูใจของตอนเองถ้ามันปุงฟุ้งออกไปกัดมันคิดไปทางนอกเราก็ใช้มรณะนุสติข่มมันเลยเฮ้ยคิดไปทําไมวะจะแก่ก็จะแ ก, ตะ ก, ตะก่ตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจว่าร่างกายตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เ, เคยเห็นไหม คนที่แก่เป็นไงเป็นที่พึงปรารถนาไม้มคนแก่อใช่แต่ตัวเองยังหนุ่ม น, นั่นเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งนะแต่เมื่อแก่ตัวเองจะแก่เป็นไหมแล้วตัวเองจะตายเป็นไหมแล้วจะมีความทุกข์อย่างนั้นเอหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อเรามีครอบมีครัวแล้วกันนะอครอบครัวของเรามั่นใจไหมว่ามันจะดีอย่างที่ตัวเองคิดทุกอย่าง เรื่องเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงนะให้เราคิดล่วงหน้าคิดไว้ในใจเสมอถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็อย่างว่านะเราได้คิดไว้แล้วเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราได้วางได้คิดไว้แล้วเราก็ไม่ต้องเสียใจถ้ามันจะไปมันก็ไปถึงจะไปเราก็คิดไว้แล้วนี่แหละถึงท่าว่ตายเราก็ได้คิดไว้แล้วมันจะตาย เราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมันจะตายเราก็ลุกคิดฟิตไว้แล้วนะนี่แหละแต่ว่าการเป็นอยู่แบบนักพรตนักบวชจะดีกว่าไม่ทาให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทําให้ไทยหนักใจเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวถึงข่าวตายตายตา ย, ามมตายดุกความมุ่งหวังตายด้วยความที่จะตัดกิเลสภายในจิตในใจของพวกเรา รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพุทธะเนี่แหละไม่ได้หนักใจใครมีแต่ตัวตัวคนเดียวเกิดมาคนเดียวเราจะไปยุ่งอะไรมากมายนักหนาตายคนเดียวจะทำยังไงจริงจะพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารถึงแดนพนิพาธโดยเร็วอันนี้ให้พวกเราทุกๆท่านนะคิดนะให้คิดให้พู้ที่จะดำลงทรงศาสนาต้องคิดลักษณะอย่างนี้นะ การผูกการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติที่ผมเป็นห่วงก็คือเนี่ยคำประวรณาออกพรรษาอย่างที่ผมดึให้หมู่พวกเพื่อนพูดเนี่ยถ้าผมไม่ย้ำนะพวกท่านทั้งหลายก็เลยตมเลยผื่อเผือลืมอีกต่างหากแต่ถ้าว่าผมเองมาย้าอย่างนี้ก็รู้ได้เลยว่าอันไหนขาดตกบกพร่องหมู่พวกเพื่อนบางองค์ที่ยังไม่ได้ท่องก็มี อย่างกระถินก็เหมือนกันต้องใส่ใจอย่าให้ขาดตกบกพ่องใครทำหน้าที่อะไรก็ทำให้จริงจังและจริงใจแล้วก็พร้อมกันก่อนลการดูแลเก็บสิ่งของก็ช่วยๆกันเก็บนะทาความสะอาดปัดกวาดดูยังไงเอายังไงช่วยกันดูผู้เฒ่าผู้แก่ก็ช่วยพัฒนาถนนหนทางเอายังไงช่วยกันดูนะคง พ, พวกเราก็เคยทาผ่านมาแล้วล่ะ จบมาแล้วแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษสักหน่อยแต่ถึงยังไงก็พวกเราก็เคียงบา่าเคียงไหลให้ช่วยช่ยกันทําไม่หนักหนาพระนุพระลูก พ, พระหลานหลวงพ่อเองไม่ให้พวกเราหนักใจให้ช่วยช่วยกันทําให้ช่วยกันคิดให้ช่วยปรึกษาปรารถกันงานหนักขนาดไหนก็มันสู้พวกเราไม่ได้ทำํำพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่เว้นเสียแตพวกเร า, เรา ทำเป็นฝักฝไยแตกสามัคคีกันั น, นั้นไม่ดีแอบไม่ดีเพราะนั้นอย่าจะได้มีในพง์การพระพุทธศาสนาเห็นไหมหลวงพ่อพูดในฝั่งพระเทวทัตนตกนรกเอเวจีจังเคยแล้วแผ่นดินสุบเห็นไหมเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหรอเราอยากเป็นอย่างนั้นเถอะนะเราต้องการอะไรต้องการลาบยศเพียงแค่นั้นเหรอเราบูดมาเพื่อ เพียงแค่นั้นหรออยากจะได้เพียงแค่นั้นหรอให้ถามถั่วพวกเรานะอะตอนนี้ไปก็เลิกกันแล้วนะท่นผมไม่มีอะไรมากนะเอากราบพาะแล้วก็เลิกกันละกัน